น้องอิมมาถามว่าเอ๊อยากจะทำความเข้าใจเรื่องหนักเรื่องเบาให้ชัดๆว่ามันมีความหมายต่อการปฏิบัติอย่างไรพระเน้นที่ไรก็เน้นเรื่องหนักเรื่องเบาทีนี้ก็เลยขยายความต่อไปว่าเรื่องหนักเรื่องเบาในี่ใครก็รู้ไม่ใช่เรื่องอยากแต่ที่ทำไมจึงเน้นเพราะว่ามันสัมผัสได้ชัดคือในวิธีการหลวงพ่อเทียนว่าตรงใดชัดก็ให้เอาตรงนั้นเป็นประเด็นมันเกิดจากการที่ ท่าสี่เขาทํางานของเขาการเคลื่อนไหวทําให้เกิดการไหลเวียนของท่าสี่สบายก็รู้สึกเบาแต่เมื่อใดเราหยุดการเคลื่อนไหวนะเราเน้นหยุดการเคลื่อนไหวตัวไหลเวียนของท่าสีก็ไม่สะดวกแล้ว เ, เกิดอาการหนักเพราะนั้นการเคลื่อนไหวก็เพื่อที่จะให้ การทํางานของทาสี่ตามกฎของอนิจจังทุกขังนตตาให้เขาทํางานได้ดีเรียกว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือการเคลื่อนไหวตามกฎของอนิจจังเมื่ออนิจจังมันการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็มันก็อยู่ได้แต่ถ้าหากว่ากฎของการตายลักษมันต้องต้องเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่มันตามจังหวะที่ถูกต้อง ความหนักหน ung, ่วงทวงทับความตึงความอเครียดมันก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในชื่ อ, อจประวันของเราเนะี่ยมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดเพื่อที่จะบําบัดนะทีนี้ก็เน้นไปว่าเมื่อเรารู้หนักเบาแล้วก็ขยายตัวว่าหนักเป็นอะไรหนักเป็นรูปเบาล่ะเบาก็ยังเป็นรูปอยู่นะ รูปหนักรูปเบาหนักเบาก็เป็นรูปทีนี้คนทั่วไปที่เขามาได้ปฏิบัติธรรมเขาก็มีหนักมีเบาเหมือนกันเพราะนั้นหนักเบาที่คนทั่วไปมีอยู่ที่ไม่ได้ฝึกฝนความหนักเบามั้นก็ไม่มีความหมายในแง่ของการภาวนาแต่พอเรามาศึกษาปฏิบัติความหนักเบามีความหมายในการภาวนาเพราะเราเห็นอาการหนักอาการเบาคือเห็นรูปนะตัว ตัวสื่อที่ให้รู้หนักรู้เบาคืออะไรก็คือนามถ้าเราไม่มีนามคือเวทนาตัวนี้เราก็จะไม่รู้หนักรู้เบาเพราะนั้นตัวรู้ที่เห็นรูปที่รู้จักรูปเรียกว่าตัวรู้ที่เป็นสัญชตาตญาณหรือเวทนาทางกายแต่ทีนี้เราก็มาสร้างม่สร้างตัวรู้ให้ชัดขึ้น มันเน้นตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณที่เป็นเวทนาเนี่ยให้เป็นสติตัวรู้ที่เป็นนามที่เกิดจากเวทนารู้อาการของรูปเนี่ยมันเรียกว่าเวทนาทางกายพอมาเวทนาทางจิตก็มีสองลักษณะคือเวทนาที่ชอบและไม่ชอบต่ออาการหนักอาการเบานั้นอันนี้ก็เรียกเป็นเวทนาที่เป็นนามรูปนะ เพราะหนักเบาเป็นอาการของกายทีนี้ถ้าหากว่าเรามีตัวนามที่เราสร้างขึ้นคือเจตนาทำขึ้นเช่นรู้จักการเคลื่อนการไหวกันไปการมาที่เราสร้างอันนี้เป็นตัวรู้ชนิดที่เป็นนามล้วนๆไม่ใช่เป็นตัวรู้ที่เป็นเวทนาแล้วก็ไม่ใช่ตัวรู้ที่เป็นไปนามวัรูปตัวรู้ที่ออกไป กับนามรูปหมายถึงว่าเรารู้แล้วเรารู้สึกชอบไม่ชอบต่อความรู้สึกสบายไม่สบายนั้นรู้สบายไม่สบายเฉยๆนี่เป็นเวทนาทางกายเป็นตัวรู้เป็นรูปนามนะแต่พอเรารู้ไม่ได้ฝึกฝนตัวนามให้มีกําลังเราก็จะเข้าไปรู้สึกชอบและไม่ชอบอาการทางกายตัวนี้เรียกว่าเป็นนามรูป ตัวนี้เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ดังนั้นเราจึงมาสร้างกำลังของตัวรู้สึกเนี่ยกำลังตัวรู้สึกที่เป็นความรู้สึกทางกายให้มันมีมากขึ้นนะให้มันมีความชัดขึ้นให้มันมีกำลังแยกออกระหว่างว่าอันนี้เป็นความหนักของรูปนะแล้วตัวรู้ตัวนี้ก็จะคอยสกัดไม่ให้น้ำหนัก ความไม่สบายหรือความสบายของรูปเนี่ยเข้าไปาทำให้เกิดตัวนามรูปคือความชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็อาศัยการใช้ตัวรู้ตัวเนี้ยเข้าไปแยกให้ชัดเสม อ, อมเพราะนั้นในร่างกายของเราจึงมีความรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยเป็นหลักและความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือยังไม่แน่คือยังเป็นกลางคือยังไม่ชัด เขาเรียวอาทุกข์มสุขเวทนานั้นการปฏิบัติเรื่องหนักเรื่องเบาในชั้นหนึ่งชั้นที่เป็นรูปนามเป็นนามรูปที่จะถามต่อไปว่าหนักเบาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของธาตุสี่การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของธาตุสี่มีวิญญาณคือตัววิญญาณทางกายเนี่ยเป็นตัวรับรู้ เป็นตัวรับรู้ทีนี้ตัวอาการรับรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรอาการรับรู้ทางวิญญาณนี่เกิดขึ้นไดไน้เกิดขึ้นเพราะกำลังของธาตนะุกาลังของธาตุเช่นธาตุดินกับธาตุไฟเป็นธาตุที่หนักร้อนเนะี่ยธาตุน้ำกับธาตุลมเป็นธาตุที่เบาสบายแล้วก็เย็นนยะ ทีระหว่างร้อนกับเย็นมากระทบกันระหว่างหนักกับเบามากระทบกันเกิดอะไรขึ้นเกิดกำลังเกิดกำลังขึ้นมาเหมือนน้ําเราไปใส่หม้อเราไปตั้งไฟนะใส่หม้อเราไปตั้งไฟน้ําก็เกิดอาการเดือดนะพอเดือดแล้วมันก็มีความดันนะดันตัวพลังที่เกิดจาก กับปฏิกิริยาของน้ํากับไฟนี่เองมันเกิดแรงดันขึ้นมาตัวนี้เป็นพลังงานธาตุทั้งสี่ของเราคือธาตุดินและธาตุไฟเป็นธาตุหนักพอไปผสมกับธาตุลมกับธาตุน้ําจึงก่อให้เกิดพลังขึ้นมาเป็นธาตุเบาคอ้เกิดพลังพลังตัวนี้เองก็เรียกเป็นพลังงานรูปจึงก่อให้เกิดน้ำเรียกว่าวิญญาณธาตุ นี่วิญญาณธาตุเกิดมาเพราะการทำปฏิกิริยาของธาตุทั้งสี่ดินน้าลมไฟนะเมือเ่อไปอย่งนี้เราก็ย่อเหลือสองว่ารูปกับนามในส่วนที่เป็นพลังงานคือเป็นนามในส่วนที่เป็นวัตถุเป็นสสารคือเป็นรูปนะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อ๋ออันนี้คือกฎของธรรมชาติเมื่อเข้าใจกฎของธรรมชาติเราก็เข้าใจได้ว่า เราจะไปยึดถือว่ามันเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมันเป็นปฏิกิยาต่อกันด้วยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาหนเราก็ไปยึดพอไปยึดแล้วมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่พยายามที่จะไม่ให้มันเปลี่ยนไปไปตามที่ตามกฎที่มันจะเป็นจิตใจของเราก็เกิดการคิดขึ้นมาคิดที่จะไม่ให้มันเป็นไปอย่างนั้น นะแล้วคิดอยากจะให้มันเป็นอย่างที่ตนเองต้องการความคิดก็เกิดขึ้นเป็นการฝืนธรรมชาติขึ้นมาดังนั้ น, น, นเมื่อปี น, นี้การเกิดก็จึงเกิดขึ้นนะการเกิดและการดับนะพลังของความหนักความเบาผสมกันก็ ก, การเกิดขึ้นนะการเกิดขึ้นของสิ่งที่นะอย่างสมมุติว่าไฟกับน้ำไม่ได้เอามาใส่กันมันก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอเอาน้ำไปตั้งไฟมันก็เกิดอาการขึ้นมาเกิดอาการร้อนขึ้นมาเกิดอาการเดือดขึ้นมานะและ้วเกิดการระเหยขึ้นมานี่การเกิดเพราะปฏิกิริยาของสองอย่างไปอยู่ร่วมกันหรือลมมันไปพัดน้ำระเหยเป็นไอ ห, หรือแดดไปเผาน้ำระเหยเป็นไอพอปฏิกิริยาสองสิ่งมา กระทบกันแล้วด้วยกฎของนิจังก็มีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปลักษณะของการพลังงานอันนี้เขาเรียกว่านา้ำเสร็จแล้วน้ำตัวนี้เราก็มาพัฒนาเป็นตัวรู้พัฒนาเป็นตัวรู้เหมือนกับน้ําถูกไฟเกิดแรงดันแล้วแรงดันของน้ําไปหมุนไดานามโมอไดานามโมก็หมุนเป็นจักร เป็นไดขึ้นมาถ้าหากว่าเป็นรถก็คือน้ามันไปเผาทำให้น้ามันเดือดขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนไฟฟ้าพลังความร้อนเกิดจากฐานหินไปเผาฐานหินให้ร้อนฐานหินก็ไปต้มน้ำน้าก็ไปดันให้เกิดการหมุนของม อ, อมอเตอร์มอเตอร์หมุนก็เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นมาเห็นไหม อันนี้เช่นเดียวกันธาตุีในตัวเราก็เหมือนกันเมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดพลังไฟคือตัวรู้ขึ้นมาเกิดความร้อนความหนาวแล้วความพลังตัวนี้ก็พัฒนาให้เป็นพลังของนามทั้งที่เป็นพลังของทุกพ ล, พลังของสุขพลังของศีลพลังของสมาธิพลังของปัญญาขยายออกไปเรื่อยๆมันเพียงของสองอย่างเป็นปฏิกิริยากันคือรูปกับนามรูป ในส่วนที่เป็นของหยาบได้แก่ธาตุดินและธาตุไฟนามหรือของละเอียดได้แก่ธาตุลมกับธาตุน้ำผสมกับสารอัตราส่วนพอดีก็เป็นธาตุรู้นะอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของมันเมื่อเรารู้รายละเอียดของอรูปนามการเกิดการดับอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เกิดอุปทานเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะ เกิดปรับหาความพอดีที่จะใช้หารูปนามอั น, นั้นให้เกิดความพอดีในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์ต้าการความสุขหรือความทุกข์ถ้าต้องการความสุขเราก็ทํารูปนามให้มันสบายนะอย่าไปกดไปเก่งไปเพ่งไปจ้องต้องการความทุกข์บางครั้งก็ต้องการความทุกข์ถ้าไม่ทุกข์แล้วไม่มีกําลังที่จะทํามาหากิน กลายเป็นคนรักสบายคนติดสบายไม่ยอมทุกเลยถ้าไปทำงานทุกก็ไม่อยากทำนี่เขาเรียกว่าเราสุดตรงไปทางสบายพุทธเจ้าบอกมันไม่พอดีเราะนั้นก็ต้องกลับมาใช้ร่างกายให้ไม่สบายบ้างในบางครั้งน่อันนี้เป็นลักษณะนั้นด้แต่การที่เราใช้ความสบายไม่สบายให้เป็นประโยชน์ถ้าเรา ไม่ใชใ้เป็นประโยชน์เราก็าจะไปติดความสบายวิ่งหนีความไม่สบายนี่ก็จะไม่เป็นเกิดจะไม่เกิดความสมดุลพอดีดังนั้นเราก็ปฏิบัติเพื่อให้รู้จักความสบายและไม่สบายว่ามันเป็นปฏิกิยาเราก็าใช้ไปทางที่เป็นประโยชน์เราต้องแบกหามทำงานหนักต้องใช้แรงแต่ถ้าหากเราใช้แรงอย่างรู้ เนื้อรู้ตัวแต่พอดีแรงนั้นก็จะเกิดเป็นตัวพลังงานให้เราได้ใช้ให้เกิดการดูแลร่างกายและจิตใจในทางที่ถูกนะเช่นเราการมีการออกกําลังกายก็รู้ว่ามันหนักรู้ว่ามันเจ็บแต่เราก็ต้องทําเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความหนักขึ้นมาเพื่อไปสมดุลกับความเบาถ้าคนไหนรักสบายไม่อยากออกกําลังกายไม่อยากทํางานหนักคนนั้นก็จะป่วย เพราะอะไรเพราะขาดความสมดุลของทางธรรมชาติเพราะนั่นเองเราก็ต้องรู้จักใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นใช้หนักใช้เบาให้เป็นก็จะไม่เป็นโทษแต่หนักเบามีอยู่สุขทุกข์มีอยู่ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันก็จะเป็นโทษเรามีร่างกายก็เป็นทุกข์มีร่างกายก็เป็นโทษมีร่างกายก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีร่างกายก็มีแต่ความอ า, อากุศลธรรมทั้งหลาย ขี้เกียจแล้วไม่อยากจะทํามาหากินก็มีการเอาเปรียบคนอื่นมีการคอรับชั้นมีการคดโกงมีการลักขโมยผู้อื่นเพราะว่าไม่อยากจะทำมาหากินเพราะติดสบายอยากสบายให้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ไปเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายอยากสบายอยากสนุกให้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ไปติดการพนันไปติดเกมอยากสบายขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ไปติด ผัสสะต่างๆเห็นไหมเพราะติดสบายอย่างเดิมอกุณศรธรรมมันก็เกิดอาคุณธรรมลามกก็เกิดแต่ถ้าต่างคนต่างใช้กําลังวงังชชยในการทำอาหากินอย่างขยนขันขันแข็งถึงมันไม่สบายบ้างก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทำอาหากินความติดสบายไม่มีจะใช้ความสบายน้อยสบายให้เป็นประโยชน์อันนี้คือประโยชน์ของการที่เรามีอยู่ทําความเพียรเหมือนกันเมื่อคนทําความเพียรได้เต็มที่ แต่บางคนไม่อยากจะทําเพราะทําแล้วมันทุกข์ไม่อยากทำนะแต่บางคนก็ทุกข์ก็ต้องทําทําเพราะรู้ว่าความทุกข์นี้เพื่อเราจะดําเนินไปสู่การไม่ทุกข์จะพัฒนาความทุกข์ให้เป็นปัญญาเพราะรู้ว่าความทุกข์เป็นพลังงานชนิดหนึ่งก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์กระแสน้ําเป็นพลังงานชนิดหนึ่งถ้าเราปล่อยให้มันไหลก็ลงทะเลไม่ได้ประโยชน์แต่พอเรามากั้นกระแสน้ํามันก็กลายเป็นพลัง ขึ้นมากระแสเป็นพลังของกระแสน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นเรียกว่ารู้จักรูปนามในมิติที่ละเอียดขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานะอันนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังก็เข้าใจนะอีกคนหนึงไปถามว่าถ้าเราปฏิบัติจะโดยสติแบบขึ้นไหวอย่างเนี้ยเราจะไป ทํามาหากินไปทํางานเนี่ยมันจะเป็นการไม่ต่อเนื่องมันจะหลุดจะขาดหายไปไหมเวลาไปทํางานคําตอบก็คือว่าถ้าเราเคลื่อนไหวกับตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าเราเอาใจเข้ามาหาตัวเองแต่เมื่อเราไปทํางานปั๊บเนี่ยถ้าเราไปให้ความสําคัญของงานเราทุ่ม ความรู้สึกตัวทั้งหมดไปที่งานนั้นคือคนไม่ได้ปฏิบัตินะาะคนปฏิบัติเข้าใจแล้วนี่รู้ว่าเอาความรู้สึกตัวมาไว้ที่ตัวเองเนี่ยแม้จะเป็นการทำงานอยู่ก็ถือว่าเป็นการทำกรรมฐานเพราะจิตเป็นอันเดียวกับกายเพราะกรรมฐานนั่นหมายถึงว่าเป็นที่ตั้งการทำงานของกายและจิตคือกายแต่ถ้าเราไปทางาน เราก็แบ่งความรู้สึกไปกับสิ่งที่เราไปสัมผัสสักห้าสซตก็ได้แล้วแต่ความความรู้สึกตัวสัมผัสหนักเบายังอยู่ที่ไม้ที่มือยังอยู่ที่การเคลื่อน <S <S เช่นเวลาเดินทํางานเนี่ยแทนที่เราจะเอาใจของเราไปอยู่ที่งานหรือเอาใจเราของเราไปอยู่ที่เป้าหมายที่จะไปเราก็เอามาอยู่กับการที่เราเดินเสีย แม้จะเดินไปทำงานก็ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่เพราะกายกับใจยังไปด้วยกันอันนี้คือความหมายว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยจะถือว่าเป็นการปฏิบัติไหมถ้าเราไปด้วยความรู้สึกตัวไว้ที่เนื้อที่ตัว8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมดังนั้นถ้าหากว่าชาวบ้านเขารู้ความหมายอันนี้เราสามารถเข้าใจได้เนี่ยเขาก็จะ ไม่ทุกเพราะว่าเขาได้ทํากรรมฐานถ้าหากว่าเราทุ่มเทน้ําหนักความรู้สึกตัวมาที่กายของเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความทุกข์และไม่ทุกข์รู้สึกถึงความสบายและไม่สบายเราก็จะมีการสมดุลแต่ส่วนใหญ่เราทุ่มจิตของเราออกไปให้ตัวงานเราก็ไม่ได้มาดูตัวเองว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสบายหรือไม่สบายเราก็ไปต่อํานาจของความอยาก การที่แยกจิตเอาไปอยู่กับวัตถุจิตของเราก็แยกเป็นสองแต่พอดึงจิตมาอยู่กับกายจิตขเขาก็ยังเป็นหนึ่งก็เป็นสมาธิอยูอ่ดังนั้นเองเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้อย่างชัดแจ้งแล้วเนี่ยเราทำงานเท่าไหร่ก็มีแต่การปฏิบัติทำได้มากเท่านั้นนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่สามารถวางใจได้อย่างนี้ก็ยังต้องปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติในรูปแบบไปด้วย จนกว่าจะทำงานนอกรูปแบบแล้วได้ความรู้สึกเต็มๆ เ, เหมือนกับเราปฏิบัติในรูปแบบอันนี้คือความหมายนะคำถามที่สองที่โยมถามว่า เ, เวลาไปทำงานธรรมาหากินเนี่ยถ้าหากว่าเรามานั่งปฏิบัติอาจจะไปใช้ได้ไปใช้อะไรได้บ้างใช้ได้มากทีเดียวนะเป้าหมายนี่ถ้าหากว่าจะว่าไปเราปฏิบัติท็เพื่อเพื่อได้ชีวิตที่ดีนั่นเอง มันไม่ใช่ดีของมันเองแต่ว่ารู้จักวิธีวิธีใช้ความรู้สึกที่เป็นนามเนี่ยให้มันถูกทีนี้ความหมายคนที่สามที่ถามเรื่องการปฏิบัติว่เอความรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยมันจะไปรู้อะไรมันจะดำนานขนาดไหนมันถึงจะรู้สึกจะต้องทําเข้มต่อเ น, นื่องกันทั้งปีทั้งหรือหลายเดือนหลายปีไหมถึงจะรู้สึกมาถามเนี่ยเอย ดูสังเกตดูคุณนั่งลงขนะนี้คุณรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกหนักที่ขาคุณลองลุกขึ้นดูสิรู้สึกเป็นไงเบารู้ไหมว่าความหนักความเบาม า, ม า, มาได้อย่างไรมันเกิดจากอะไรรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมถามอีกทีหนึง่งเวลานั่งลงรู้สึกหนักใจเราเป็นไงสบายหรือไม่สบายก็รู้สึกไม่สบายไปด้วยอ้าวเราลุกขึ้นยืน รู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายแล้วใจเป็นไงใจก็สบายไปด้วยอ้าวเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกแต่หนักแต่กายอย่างนี้นก็หนักใจด้วยเวลามันเบาก็ไม่ใช่เบาแต่ ก, กายคือนัเบาที่ใจด้วยเมื่อความรู้สึกอย่างนี้มันมีทุกขนทุกแห่งแล้วเนี่ยมันก็ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เพราะมันติดตัวเราไปตลอดเวลาแต่ปัญหามันก็คือว่าเราไม่ได้ติดตามอาการเหล่านี้โดยตลอด เราไปคิดว่าเราจะไปทําที่นั่นที่นี่แล้วจะรู้สึกตัวดีจะก้าวหน้าเป็นความรู้สึกที่ไกลไปนะอย่างขณะที่เรานั่งเนี่ยอาการเบาหนักปรากฏก็มีอยู่อาการชอบไม่ชอบก็มีปรากฏให้เห็นอาการเบือ่อไม่เบื่อก็มีปรากฏให้เห็นอาการรู้หรือไม่รู้ก็ปรากฏให้เห็นดัง <c oughs> นั้นในความรู้สึกตัวปรากฏอย่างเดียวเนี่ย มันมีอะไรแฝงฝังอยู่ในตั้งหลายมิติมีทั้งศีลก็อยู่ในนั้นสมาธิก็อยู่ในนั้นปัญญาก็อยู่ในนั้นอาดังนั้นที่เหลือคื อ, คอเราต้องทำความเข้าใจการกระทำนั้นมีอยู่แล้วการกระทำเราจะต้องไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาลไปนู่นอ่าต้องทำมาหากินดนั้นการกระทำนั่นเองมันมีอยู่แล้วแต่ว่า การที่จะไปทําความเข้าใจในการกระทําให้มันเป็นกรรมฐานได้อย่างไรตัวนี้ต้องทําความเข้าใจบ่อยๆทําความเข้าใจในที่นี้มัม่ได้ไมหมายถึงฟังอย่างเดียวต้องเอาไปทดสอบเอาไปทดสอบไปตรวจสอบดูแล้วการเคลื่อนไหวมีตลอดเวลาการเคลื่อนไหวก็หมายถึงการที่ธาตุสี่มันทํางานแล้วก็ค่อยสังเกตว่าลักษณะที่เป็นธาตุดินธาตุไฟ เป็นอาที่หนักที่ราร้อนลักษณะที่เป็นธาตุลมธาตุน้ำเป็นอะไรที่เบาสบายเยือกเย็นอาการทั้งสองนี่ก็ปรากฏในไกาตลอดเวลาอาการหนักอาการร้อนมีไมีอาการเบาสบายอาการเย็นโปร่งมีไหมก็ ม, มีแล้วคุณต้องการอะไหนระหว่างอันหนักและร่าร้อนเบาเย็นสบายคุณต้องการอรันไหรก็ต้องเย็นสบายเะั้นคุณรู้จักมันแล้วคุณก็หาได้อะรู้จักมานะหาได้ แต่ประการสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะไปยึดอาการสบายเป็นของเราไม่ได้และเราจะไปรังเกียจความไม่สบายก็ไม่ได้แต่ให้ใช้มันตรงนี้สําคัญอาการที่จะรู้จักวิธีใช้อาการของรูปข้องนําอย่างเนี้ยใช้สุขใช้ทุกเนี้ยเราจะต้องมีอะไรมีการศึกษาการศึกษาทําอย่างไร ก็อย่างที่ต้องสร้างดวงตาสร้างปัญญาสร้างแสงสว่างขึ้นมานะดวงตาคือความเข้าใจนะแสงสว่างคือความรู้เนือ้อรู้ตัวนะี่แล้วก็ในไหนในรูปในนามเพราะฉะนั้นสติปัญสีเนี่ยยอดเรามันก็จะเหลือสองกายกับเวทนาเป็นรูปจิตกับธรรมารมเป็นนามนะ อริย ส, สัตวีก็จะ ย, ย่อเหลือสองทุกขสมุไม่สมุทัยเป็นรูปนิโรธกับมก็เป็นนามเพราะฉะนั้นเราดูรูปนามดูกายดูใจมันก็ดูทั้งสีิประทานสีดูทั้งอริย ส, สัตว์สีไปในตัวในเวลาเดียวกันเราไม่ต้องสงสัยแต่เนื่องจากว่าเรายังรู้ไม่รู้หลักปริยัตและปฏิบัติอย่างครบถ้วนเราก็อสงสัยไม่ได้แต่ว่าเราอาศัย ท่านผู้รู้มาชี้ทางให้เราเราก็ลองทําดูมันก็หายสงสัยเพราะขณะที่เราดูหนักดูเบาดูสบายไม่สบายนี่มันเป็นรูปคือทุกข์กับสมุทัยเราเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งมารู้สึกสบายไอความหนักก็หายไปทีนี้เราต้องการอะไรอ่ะต้องการสบายหรือไม่สบายต้องการสบายเยอะๆต้องการสบายมากกว่าเราก็ต้องมีวิธีการ วิธีการทำอะไรก็ไปเจเริญมักนะทำให้มันถูกต้องทำให้มันพอดนะีทำให้ถูกต้องพอดีคือหลักมัชิมาปฏิปทานี่เพราะนั้นในการดูรูปดูนามเนี่ยมันก็ควบคุมหมดทั้งสติปัฏานสี่ทั้งอริย ส, สัจสีนะทีนี้ประการสำคัญก็คือเราจะมีศรัทธาและความเพียรมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีศรัทธาและความเพียรแล้วเกิดปัญญาก็ยิ่งไวเกิดปัญญามหมายความว่าเข้าใจเห็นแจ้งในขณะทำแต่ว่าคนที่มีปัญญายังน้อยอยู่ปัญญายังไม่ถึงทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นแจ้งยังไม่เข้าใจก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดปัญญาอันนี้ก็คือปัญหาของคนที่สามถามว่า hey, ในขณะที่นั่งสร้างจังหวะนี่จะทาสมาธิไปด้วยได้ไมทาไงทาสมาธิอะ ก็นั่งหลับตานิ่งๆสงบสงบแล้วคุณต้องการความสงบแบบไหนสงบแบบรู้หรือสงบแบบเม่อสงบแบบไม่รู้ก็คือทำให้ไม่เกิดปัญญามีแต่ความสงบคุณอาจจะนั่งหลับตากำหนดอะไรเป็นกรรมฐานก็ได้บริกรรมอะไรก็ได้จิตก็สงบแต่มันไม่รู้นะเพราะอะไรตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่พยายามที่จะฟังจิตก็ไม่ให้มันนึกคิดให้มันสงบอย่างเดียวเจ้าสงบแบบนี้ไหม ถ้าสงบแบบนี้คุณต้องการก็ไปทำเอาแต่วิธีการของเราไม่ได้สอนแบบนั้นวิธีการของเราต้องการสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวนะ <t> <agh> ก็คือตามีให้เห็นหูให้ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นริมรถกายถูกต้องสัมผัสก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แต่รู้เข้ามาที่ตัวไม่ได้รู้ออกไปนอก ok ตัวนี่เรียกว่าสงบแบบรู้ สงบจากกิเลสสงบจากการปรุงแต่งไม่ใช่สงบจากอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้มันรับรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันสงบก็ได้ให้มันรับรู้ให้มันทำหน้าที่ของมันตามมีก็ให้เห็นหูวมีให้ได้มันได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรดมให้มันทำหน้าที่ของมันตามปกติเราไม่ต้องไปปิดไปกั้นไปบีบไปรัดไปสะกดมัน นะวิธีสงบแบบไม่รับรู้อะไรเป็นสงบแบบฤๅษนะีแบบพรามไม่สงบแบบพุทธสงบแบบพุทธนี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอยู่ในนั้นเพราะมันรับรู้ตามความเป็นจริงอันนี้ปกติและไม่ปกติเราก็รูนะ้อันนี้ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมัน่นเราก็รู้อันนี้สว่างสวยัยหรือว่ามืดมัวเราก็รู้นี่สงบแบบรู้รู้ว่ากายเป็นอย่างไร ขณะนี้ใจเป็นอย่างไรอ่านกายก็ออกงานใจก็ออกนี่เขาเรียกว่าสงบแบบนี้เรียกสงบทำให้เกิดวิปัสสนาแล้วคุณใจสงบแบบไหนถ้าคุณใจสงบแบบนั่งสงบแล้วก็หลับตาบริกรรมก็ก็ไม่มีใครว่าแต่ว่ามันจะต้องสงบอยู่งี้ไหมเดี๋ยวมันก็ไม่สงบแล้วคุณก็ไปหาอีกคุณก็ไปทำอีกมันก็ไม่จบลักษณะนี้เรียกว่าทาแบบ ไม่ใช่วิปัสนาทำกันมาหลายพบหลายชาติได้ลกลับหลายกันแล้วนะแต่พอพระพุทธเจ้าท่านมาพบว่ระบบนี้มันเป็นทางแต่ไม่ใช่ทางคือไม่ใช่ทางที่จะหมดทุกเป็นทางที่สืบทุกนะ <c oughs> อ่า น, นี้ก็เป็นคำถามสี่ข้อในวันนี้นะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติทั้งฝ่ายพระของเรานี่ไม่ค่อยได้ถามเท่าไหร่นะไม่ค่อยถาม ในรายละเอียดก็มีถามเหมือนกันแต่โยมก็รึกทาไปสงสัยแล้วก็ไปถามเลยไม่ไม่ไม่เก็บเอาไว้ก็ไปได้ไวบางทีเราสงสัยแล้วหาคําตอบเอเองบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมันก็ไม่ได้เราก็สงสัยอยู่นั่นแหละนะดังนั้นก็ ครูบาอาจารย์มีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ตอบปัญหาแก้ไขปัญหาของเรานั่นแหละเพราะนั้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านด้านนี้ <c oughs> นะเพราะว่าเราได้ทำเพื่อให้การกระทำของเราไม่ไร้ผลการกระทำของเรามันมีผลก็คือจะต้องทำให้ถูกต้องแต่ถ้าหาว่าเราทำไม่ถูกต้องทำทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่มีผลมันก็เสียเวลาขอให้มันมีผลนะ มีผลเน่ยอะไรมีผลทำให้เราเลือกใช้สุขเป็นเลือกใช้ทุกเป็นไม่ต้องปฏิเสธทุกสุขไม่ต้องปฏิเสธทุกนะแต่ใช้สุขใช้ทุกให้เป็นที่เหมือนเคยกล่าวแล้วว่าเหมือนเราใช้น้ำใช้ไฟในบ้านของเราให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นปัญหาแต่ถ้าใช้เป็นมันก็อานวยความสะดวกให้กับเราสุขทุกนี้มีไวเพื่ออานวยความสะดวกไม่ได้มีเพื่อเสพ ไม่ได้เพื่อทิ้งนะอันนี้ก็คื อ, อในการสอบอารมณ์ถามปัญหาวันนี้น ะ, ะก็จบเพียงแค่นี้มีใครจะถามอะไรต่อไหมเอเมื่อช่วงบ่ายไปสอบอารมณ์ให้พระอามาก็ถือไม้เท้าไปอันหนึ่งกำลังไปต่อสู้ประหยัดกับความคิดอามาก็แย่ไม้ไปที่ดินแทงไปที่ดิน ลึกแล้วลึกอีกท่านก็ยังไม่เก็ตนะท่านก็คิดไปอีกทางหนึ่งเห็นแต่ามาเอาไม้แทงดินให้หลวพ่อไปแทงทําไมที่มาก็ยกไม้ขึ้นมาไปแทงอากาศบ้างคุณรู้ไหมว่าท่านแทงไปนอากาศเนี่ยมันลึกไปแค่ไหนคุณรู้ไหมมันตื้นแค่ไหนรู้ไหมไม่รู้ถ้าแทงไปในดินคุณรู้ไหมลึกไปตื้นแค่ไหนรู้ทําไมรู้่啊เพราะมันเป็นตัวตนที่จับต้องได้ <laughs> ไม่ใช่แทงเล่นๆแทงให้คุณรู้ว่าถ้าคุณจะ เอาใจมาสอดใส่มาพิจารณาเจาะแทงไปที่รูปที่นามเนี่ยมันรู้ลึกลึกตื้นหนาบางได้ง่ายแต่คุณอย่ะไปวัดความคิดไปเจาะไปแทงไปพิจารณาความคิดมันไม่รู้ลึกดูแ ล, ล, ลเพราะมันไม่มีตัวตนความคิดเป็นนามเหมือนคุณแทงไม้ไปในอากาศคุณแทงเท่าไหร่มันก็ไม่ทะลุที่ไหนลเลย แทงไปเมื่อมีรูแทงไฟก็ไม่ถึงที่ไหนแทงว่ายังเข้ามันก็ไม่ถูกไม่ถึงเหมือนกันคุณไปเข้าไปแก้ไขความคิดด้วยความคิดไปพิจารณาความคิดพิจารณาเท่าไหร่มันก็ไม่จบเมื่อทะลุไม่ถึงก็มันเป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้แต่ถ้าคุณแทงทะลุไปที่ดินเหมือนไม้เท้าเนี่ยถ้าคุณจอะใช้เวลาพิจารณาเข้าไปที่รูปที่นามมันเป็นรูปเป็นเป็นรูปธรรมมันก็ลุลึกตื่นหนาบาง เพราะนั้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องใจไม่ต้องไปแก้แก้ที่กายนี่มันจบไปแก้ที่ใจนี่ยิ่งแก้ยิ่งไม่จบอา้าวถ้าดื่มมีอะไรสงสัยไหมครับความสุขหาได้จากที่ความทุกข์ถ้าไม่ยอมทุกสียก่อนสูขคันมาไม่ได้เอาสมปถ า, ถามว่าความเบาหายได้จากที่ไหนเบา ก, กายเนี่ยที่จะหากว่าเราใจของเรามันไม่ไม่ได้รับรู้อ่ะอย่างขนาดนี้ใจท่านอยู่ที่ไหนขนาดนี้นั่งรู้สึกเป็นไงบ้างหนักใช่ไหม อารมคุณอรมณ์ลูกขึ้นดูดิน้ความหนักยังอยู่ไหมหายไปครับหายไปแล้วอะไรขึ้นมาแทนเพราะความเบาความสุขใช่ไหมเพราะนั้นความสุขกับความเบาันเดียวกันใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็มาจากความหนักนั่นแหละความเบาความสุขก็มาจากความทุกข์นั่นแหละเออนั่นเดียวพราะมันไปหามันไม่ทางไม่ถูกที่อ่ะนะหาไม่ให้ถูกที่มันก็จะเจอนะถ้าหาไม่ถูกที่ไม่เจอเพราะฉะนั้นความสุข ก็มาจากความทุกข์เนั่นแหละความเบาก็มาจากความหนักมาจากที่เดียวกันแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติตามกฎของกันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอันนี้จังพอเป็นอันนี้จังมันเกิดตรงนั้นความจริงมันก็เป็นตัวเดียวกันถามหนักกับเบา <c oughs> กับน้องอิมว่าหนักกับเบาเนี่เป็นอันเดียวกันหรือคนละอันจะคิดหนักเงินนะถามอีกว่าสุขกับทุกข์เป็นอันเดียวกันหือคนละอันเพราะว่าคนละอันก็ไม่ใช่ จะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นคนละอันเดียวกันด้วยว่ะอันนั้นเป็นคำพูดนะความจริงแล้วเนี่ยผมได้หามบ่อยๆว่ากับน้ําเนี่ยมันอันเดียวกันหรือคนละอันแยกจากกันได้ไหมยกยกน้ําในแก้วออกเนี่ยไปตั้งเหมือนแก้วได้ไหมไม่ได้แสดงว่าคนละอันเดียวกันนะเาเรื่อเป็นอันแย่มันแย่ปัจจัยอันแย่มันแยปัจจยโยไงเป็นเหตุของการอะไรกัน เป็นเหตุให้เกิดการอะไรกันน้ำเป็นเหตุให้เกิดไฟไ ฟ, ไฟเกิด น, น้ำอันนี้เขาเรียกกฎของอา น, นิจังแปลเปลี่ยนเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนมันไม่มีสาระแต่มันสามารถเปลี่ยนไปปลี่นมาเป็นไปเป็นมาตรงนี้กฎของธรรมชาติลักษณะนี้ถามว่าความสุขหาได้จา ก, กที่ไหนก็าหาได้จากความทุกข์นั่นแหละความทุกข์หาได้จากไหนก็หาได้จากความสุขนั่นแหละ ทีนี้พระพุทธ้าท่าบอกเออถ้าอย่างนี้มันก็เวียนว่ายใจเกิดไม่จบใช่ไหมวิ่งหาสุขหาทุกวิ่งหาดีหาชั่ววิ่งหาสบายวิ่งหาไม่สบายอยู่ไม่จบท่านบอกว่าออกมาทั้งสองอย่างเลยออกมาทั้งสุขทั้งทุกข์แต่กายเนี่ออกไม่ได้เพราะกายมันเป็นตัวสุขตัวทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมแต่เอาใจออกมาเสียใจออกมาได้เขาออกมาจากสุขคือใจไม่เป็นร่างกายสุขใจไม่สุขด้วยก็ได้ร่างกายทุกข์ใจไม่ทุกข์ด้วยก็ได้ร่างกายหนักใจไม่หนักด้วยก็ได้ร่างกายเบาใจ ไม่เบาด้วยก็ได้กด็หน้าที่คืออย่าเข้าไปอ่ะอย่าเข้าไปในสุขในทุกมันก็หมดหมายความว่าสมมติ อ, อันนี้มันทุกใช่ไหมออกจากมันได้ไหมออกจากทุกตัวนี้ได้ไหมทำไงก็วางไงไม่ทุกแล้ไม่หนักแล้วเ <c oughs> ออ น, นี่อันนี้เป็นรูมธรรมนะแต่ในนามธรรมเนี่ยมันจะทำยกหนักยกเบาอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นนามธรรม ก็ใช้นำมาทำเหมือนกันคือมาสร้างปัญญาปัญญาตัวนี้ก็จะไปแยกออกบางคนเนี่ยนั่งทั้งชั่วโมงโอ้ยสบายมากสบายแต่บางคนนั่งสักครึ่งชั่วโมงไม่ไหวแล้วงุญญนงงลาคาญมันเบื่อนะเขาแยกไม่ออกระหว่างกายกับใจเป็นเห็นเป็นเรื่องเดียวกันเพราะกายทุกใจก็ทุกข์ด้วยเพใจทุกกายก็ทุกข์ด้วยนี่เลยว่าผู้ยังไม่พัฒนาปัญญาก็จะแยกไม่ออก แต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วอ๋อกายมันทุกข์ก็สัพแต่ว่าเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของใจแต่ใจรับรู้อยู่แต่ไม่แบกคือรับรู้อยู่น้ำมือในแก้วแต่ไม่ไม่ถือไว้แต่ถือไว้ในเมื่อตอนไหนตอนจําเป็นใช่ไหมหมดความจําเป็นละเราก็วางความหนักความเบาล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นเช่นเราต้องหนักกายเวลาไปทํางานพอจบจากกันทํางานหนักแล้วก็ กลับบ้านก็หายเหนื่อยได้ใช่ไหมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติทำก็เอาเรื่องเขางานมาคิดต่อมันมาแบกต่อที่บ้านอีกมาคิดต่อปวดหัวนะนี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติก็คือใช้ทุกข์ให้เป็นกําลังในการทํามาหากินมันจะต้องตัดแดดตากฝนต้องทนทํางานหลายๆชั่วโมงเพื่อจะทํามาหากินน่ะถ้าเราไม่ยอมทํางานหนักเลยเนี่ยเราก็เรียกว่า ไม่ได้ใช้ธรรมชาติชนนี้ให้เป็นประโยช น, น์ความเบาก็ต้องเป็นประโยชน์เวลาทํางานหนักมาทั้งวันเราต้องรู้จักพักผ่อนความเบาก็จะกลายเป็นตัวเยียวยาใช่ไหมบางคนทํางานหนักทั้งวันทําทำงานแล้วไปทำงานต่ออีกคนนี้ก็จะไม่มีความสุขอายุสั้นสุขภาพไม่ดีเพราะหนักเกินไปเพราะนั้นหนักเกิดเป็นประโยชน์เมื่อใช้แล้วปล่อยวางเบาก็จะเป็นประโยชน์เมื่อทําหนักแล้วก็ต้องปล่อยวางก็เป็นเบาเนี่ย วันนั้นเราปฏิบัตธรรมคือประโยชน์คือรู้จักใช้สภาวะธรรมสบายไม่สบายให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมมันก็จะเกิดความดีถ้าหากว่าเราไม่พอดีล่ะต้องการเนินสักล้านหนึ่งองนี้ต้องหาวันยังข้ามคืนยังลุกเขาจะได้ทุกไหมทุกอันนี้ไม่พอดีแล้วแต่เราบอกเออหาเดือนเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มันไม่เดือดร้อนพอดีพออยู่พอกินพอไปพอมาได้ไม่ถึงกับดีเกินไปและไม่ถึงกับทุกเกินไปก็อยู่ได้สบายนี่ อันนี้ก็คือการใช้ความหนักความเบาความสุขความทุกข์ให้เป็นประโยชน์อันเกิดจากสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกนี่เองมันจะเข้าไปรู้เห็นประโยชน์ของการกระทําว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ปัญหาเอา้าจันแดงจันแดงก่อนอ๋อเน้นน้อนสนใจเดี๋ยวจันแดงถามก่อนนะเน้น น, อน้อยก็ปรุงแต่งนี่แหละปุงแต่ง มาจากใจรักนั่นแหละใจรักมันทํางานเขากมันกรรูปใช่ไหมเราก็เลือกของรูปมาคิดมันก็เป็นสังขารต่อในในจิตก็เป็นใจรักในใจอีกเกิดทุกข์อะใช่ไหมถ้ามันอยู่ ก, กายนี่ถือว่าเป็นธรรมชาตินะแก้ไขได้ปรับได้สบายเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าว่าเราไม่มีความรู้เรื่องของใจรักเราก็ไปคิดต่อก็เกิดใจรักในใจแล้วกลายเป็นกิเลสละเราก็เด็กเข้าไปดูมันเลย เราจำเป็นต้องรูร้นะครับวออ๋อบางอย่างก็จําเป็นบางอย่างก็ไม่จําเป็นสมมติว่าเสียงลูกลองเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้มันมันผ่านเข้ามาเสียงใบไม้เสียงลมอะไรเนี่ยแต่มันก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่มีคนมาเรียกพ้อ hey, จันแดงอันนี้ผมไปทางนี้ถูกไหมอันนี้แช่ของท่านหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะเป็นต้องรู้ละรู้ในส่วนที่จําเป็นแต่ถ้าเรา ไปรู้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นมันก็เพื่อเรื่องเยอะทำให้เกิดการพรุงแต่งทุกวันนี้ทุกมันเกิดจากสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องรู้แต่เราไปรู้เข้าแต่ถ้ า, ร, ารู้เฉพาะสิ่งที่จาเป็นเราจะไม่ทุกข์เลยทีนี้เราจะรู้ได้ไงอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นจำเป็นมากน้อยอันนี้ต้องใช้ปัญญาแล้วเ่าอ๋อพอใเร่ารูว่าคนที่ได้อารมณ์ประัล้น ากเสียความคิดเเก็บรืปแบความคิดเดียวน่ะหมายถึงคามที่มันเป็นผู้สอนกัผู้สอคนที่ได้อารมณ์ปรมาทัแล้วหมายถึงความรู้สึกตัวมีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะนะว่าไปเกินยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นแต่ว่าถ้า5้าสิเปอร์ซ็นขึ้นเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยความรู้สึกตัวมันมันสัมผัสได้นะอารมณ์ปรมาทเนี่ยคาว่าประมาทัหมายถึงว่ามันรู้เองนะไม่ต้องพยายามกระตุ้นมันก็ได้ มันก็รู้ของมันเองแต่ถามว่าคนที่ได้ปดัญญามันยังคิดกุศล อ, อกุศลอยู่ไหมก็ยังคิดอยู่แต่ว่ามันคิดได้ไม่นานมันก็ทิ้งนะคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์คิดเรื่องกิเลสอัหาโบทานคิดแต่ว่าคิดได้ไม่นานมันก็ทิ้งเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้ว่ามันสัมผัสทุกข์ได้เหนะมือนกับคนที่อยู่อากาศเย็นสบายเนี่ย พอไปเจอของร้อนปับ๊บมือมันจะหดของมันเองนะอะไรที่เป็นของที่เป็นอันตรายมันจะหดของมันเองแต่สําหรับคนที่ยังไม่สัมผัสปรามัดเนี่ยยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งนั้นเป็นโทษต่อจิตต่อใจเข้าไปจับไปถื อ, อไว้ตั้งนานเป็นทุกข์ตั้ง น, นั้นก็ยังไม่รู้เพราะว่าตัวฝึกฝนที่สติสัมยะที่จะเข้าไปรู้คุณรู้โทษของสิ่งที่มากระทบเนี่ย ยังไม่เห็นโทษของสิ่งที่มากระทบคือสังขารทั้งหลายไม่เห็นภัย mm hmm. เขาเรียกามาเห็นภัยในสังขาร น, นั้นเองคนที่รู้ปรมัตารจะคิดอคุศุมากน้อยเท่าไหร่อยู่กับชั้นเพราปรมัตารมี3ชั้นใช่ไหมปรมัตารชั้นต้น25เปร์เซนต์ปรมาจาชั้นกลางอ่าห้าสปร์เซต์ปรมาจาชั้นสูงสุดคือร้อเซนตคนปรมัตาร แล้ว ร, รู้ปรมัดขั้นไหนถ้าปรมามัดขั้นต้นก็ยังคิดกุศลนกุศลมากอยู่ยังมีทุกอยู่นะแต่ปรมามัดขั้นกลางนี่หมายเขาว่าคิดน้อยลงปรมามัดขั้นสูงนี่ไม่ต้องได้คิดเลยเพื่อแค่สัมผัสก็มาที่นู่นเราเห็นงูมาที่นู่นเราก็เดินหลบแล้วไม่ต้องไปเหยียบงูแล้วน ะ, ะผู้ดูชนหมายความว่าเหยียบงูจะงูกตายอ่ะแต่ถ้าหากว่าพูดปรมามัดเบื่อสูงไปเห็นงูมาเราก็ไปทางนี้แล้วไปคนละทางเห็นไผ่เห็นไผ่ เราจะทําจิตเป็นกลางกับสิ่งที่กระทบไม่เกิดเข้าไปตึงอเครกับมันได้ไงอันนั้นก็คือจะต้องกลับมารู้สึกตดวแบบสบายๆเพราะว่าสิ่งที่มากระทบเราจะรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่กระทบเนี่ยมันมันหนักมันเบามันสบายหรือไม่สบายพอจิตที่มันสัมผัสความผ่อนคลายสบายเนี่ยพอไหนหนักอันไหนเบาปั๊บมันจะรู้ทันทีแล้วมันจะหลีกมันสลัดทั้งมันเองแต่ต้องทําอารมณ์ที่เป็นกลางๆเนี่ยให้ชานาญ อันไหนที่เข้ามาแล้วมันหนักมันเบาเนี่ยมันจะสลัดของมันเองแต่ถ้าหากว่าตัวอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เป็นอัตโนมัติมันยังไม่ไวต่อการกระทบมันก็รับการกระทบเข้ามาเป็นตัวตนมันก็ทําให้ให้หนักให้เครียดอีกทีนะครับว่าคําถามของท่านก็คือว่าเราจะทําจิตเป็นกลางต่อสิ่งที่มากระทบโดยที่ไม่เข้าไปยึดถือเดิมไม่เข้าไปเครียดกับมันได้อย่างไรนี่คือคําถามนะ คำตอบก็คือว่าเรามาเจริญสติจนกระทั่งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยชัดเจนอยู่เสมอสิ่งที่มากระทบเนี่ยถ้าอันไหนที่มันไม่เข้ากับธรรมชาติของจิตของเราธรรมชาติของจิตเขาคือเป็นกลางเบาสบายโดยธรรมชาติถ้าสิ่งนั้นมากระทบมันก็จะเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ไม่ใช่หรือใช่แต่ว่ามันไม่จําเป็นมันก็ฉลาดของมันเองนั่นหมายความว่าเราเกิดปัญญาระดับหนึ่งว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยเป็นภัย ทำให้เกิดตึงเครียดแต่ถ้าหากว่าตัวปัญญาตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์อีซีเรายังอ่อนอยู่พอกระทบอะไรมันเข้าไปยันใจทุกทีหนึง่งความรู้สึกตัวมาไม่ทันตรงนี้มันมันจะต้องทําความรู้สึกตัวให้ถูกต้องครับบางทีเราทํามาตลอดในความรู้สึกตัวไม่ถูกต้องมันมันไม่ไวต่อการกระทบกระทบเข้าไปตั้งลึกแล้วเพิ่งมาดึงออกมันก็ไม่ออกแล้วนะเปรียบเสมือนคนเดินทาง รู้ว่าเข้าป่าเนี่ยมันต้องเจอหนามเจอไหนแล้วก็หาทางใส่รองเท้าไป ท, ทีพอไปเหยียบกระทบหนามแหลมหนามคมมันก็ไม่แทงเท้าพร้อมไปติดที่รองเท้าเสียก่อนรู้ว่าเอยู่ในโลกเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งกระทบกระเทินดีบ้างหลายบ้างแบบแบบหนามร้อนบ้างบางคนก็นําเรื่องมาเดือดร้อนม่สู่เราดีบ้างร้อนบ้าง เมื่อเรารู้อย่างนี้ปับ๊บเราก็มาสร้างภูมิคุ้มกันของจิตคือมาสร้างตัวปรมัตเนี่ยให้เข้มแข็งเอาไว้เมื่อตัวปรมัตเข้มแข็งมีการกระทบปับ๊บมันก็หลุดของมันเองจิตก็ไม่เก็บเข้ามาสั่งสมเป็นอารมณ์มันก็ไม่เครียดทีนี้ตัวนี้เราจะชนานาญแค่ไหนเท่านั้นเองตรงเนี้เวลาทําในรูปแบบเราเกิดการตั้งใจเนี่ยที่มันยากเพราะเราเคยเข้าไปในอารมณ์ของสมถะเนี่ยลึกเกินไปหมายความว่าเราไปติดสงบ เมื่อมีอะไรมากระทบปักจิตมันพอจิตสงบเนี่ยมันจะอ่อนนะครับพอาะไปติสงบเหมือนเราเอาเด็กไปนอนในอูน่แล้วกลวยไปตลอดซึ่งต่างกับเด็กบนนอกพอมันโตมาหน่อยมันวิ่งหหกข้นวิดทั่วหมดเล่นๆนู่นนี่ตลอดเด็กคนนี้จะเข้มแข็งจิตของเราที่เอาไปจิตสงบแล้วเนี่เป็นจิตที่ไม่ยอมรับรู้เหมือนเด็กดับคือจจติดสงบมันจิตก็จะอ่อนเพราะนั้นวิธีการก็คือคือพยายามวางจิตให้ให้สบายสบาย มีการสัมผัสคือทำมาเข้ามาทำจิตให้สั่วลมยหยาลบอารมณ์ยหยาลบอารมณ์คือหมายความว่าไม่ปฏิเสธเข้ามาก็คิดก็คือคิดก็ดูความรู้สึกตัวไปชัดๆสบายๆแต่ถ้าหากว่ามีการเก็งในการจะดูตั้งใจไม่ให้มันต้องไม่ให้มันคิดเลยเนี่ยมันก็จะเกิดการสะกดกจิตตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีการคือมาทํารู้สึกตัวสบายๆโดยที่ไม่ต้องเกรงต้องเครียดรู้เท่าที่รู้ตรงนี้มันพูดกันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเกี่ยวกั บ, กบวิบาก ที่สั่งสมมื่ก่อนช่วยยากจริงๆทีนี้นะต้างไปทำเอาเอาหลวแบลว่าไงคําถามเดี๋ยวในนอดคาถามสุดท้ายน่าจะหมดเวลาแล้วเพื่อนเอาไม้ใกล้ปากกันไปคําถามไม่ชัดเพราะมัไปเพ่งไปรูไปใสคือการที่เราเพ่งตั้งใจเพ่งจ่งไปเนี่ยมันเป็นเราทํามันมานานเนาะทำมานานมันก็เลยกลายเป็นเป็นความชํานาญในด้านนั้น แล้วมันกลายเป็นนิสัยไปซะและวตอนนั้นวิธีการขวั่วเทียนเนี่ยท่านให้สังเกตการเคลื่อนไหวแบบสบายๆนะคือไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องบังคับคือความเพ่งความจ้องตั้งใจเกินไปมันเป็นตันหาชนิดหนึ่งคือความอยากชนิดหนึ่งมันมันก็ไปสอนคือความอยากอยากดีอะอยากดีอยากให้มันได้เยอะๆอยากให้มันชัดอย่าให้มันนิ่งอยาให้มันสงเป็นความอยากนะมันก็เลย อางาี้ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกระทอารมณ์ก็ดีแล้วเนาะแต่ว่าหมายความตัวนี้ระวังจิตเป็นกลางเป็นแล้วงั้นเถอะก็ทําแต่ทําให้มัน ส, สบายๆนะเมื่อต้องทําด้วยความอยากทําให้ให้สังเกตความสบายมันมีอยู่แล้วทุกคนนะ่ะแต่ว่าด้วยความอยากที่เรามันเป็นนิสัยเก่าแก่จิตละมาลายพบหลายชาตินะี่นะมันก็ดไม่ได้ที่จะไปตั้งใจอยากเพราะฉะนั้น ลองดูดีๆในี่ร่างกายของเราเนะี่ยมีหนักมีเบาเราจะเลือกอะไรมีสบายไม่สบายเราจะเลือกอะไรมีเยน็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งเราจะเลือกอะไรก็เลือกเอาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เกิดตัวสติสำเนายนี้อย่างถูกต้องนะมันเลือกไม่เป็นมันเข้าไปสู่ในของความอยากก็เป็นนะเป็นธรรมะวิเศยโอเคถูกต้องแล้วนะจะทต่อไปส่งไปให้เน head, น็อต น, นะปัญหาสุดท้ายในนะ็อต เหลือเวลาสี่นาทีต้องนต้อปฏิบัติช่วงก่อนอว่มาหลาของเราทุกคนก็จำเวลาไม่ได้มันมันเหมือนเหมือนจะสงบแต่ก็มันไม่รู้ว่ามันมันก็ไม่ได้ม่วงไม่ได้ปวดหัวไม่ได้เพ่อะไรแต่ว่ามันเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่ไม่รู้มังครับแล้วก็เราเราจะแยกแค่ไงเพราะมันเป็นเป็นตลอดนะครับเวลาเรา เพราะว่าช่วงนี้มันมันจะชอบว้อมแม่กบ่อยใช่ไหมครับ ไ, ไปนู่นไปนี่แล้วผมก็พยายามกบบมาแบบความรู้สึกตัวแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วแกไม่ได้เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ใช่ไหมมันมันก็ไม่ได้เพี้นแต่ก็ไม่ได้วงไม่มีอะไรผมก็เลยไม่มีอะไรเป็นสัญญาณหรอกก็เลยไม่รู้อะไรจิตมันว่างๆใช่ไหมข้าวโพดอ๋อทําให้มันชํานาญทําแบบนั้นแหละทําจิตที่ว่า เป็นกลางๆมันไม่คิดแต่ขณะเดียวมันขณะเดียวกันมันก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่านั้นใช่ไหมมันมันเหมือนไม่ตื่นเพราะตอนหลวงพ่อมาปุ๊บมันตกใจเดิมกใจแบรู้แน่ว่าอ่าก็จะใจน้อยใจน้อยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเพ่งนะปัจจุบันดูลักษณะสงบนะทาไปนานเนี่ย ถ้าหากเนื่องจากว่าตัวประสบการณ์เรายัางน้อยอยู่ตัวฝึกฝนเรื่องสติสัมยายให้รู้รอบตัวนี่นะมันยังเข้าไปในสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นในสมาธิจิตมันก็ไปอยู่ด้านเดียวเหมือนหลพ่อเทีนบอกว่าถ้าแสงสว่างไปอยู่ข้างซ้ายมืดก็ไปท่ด้านขวาแสงแววปางไปข้างหน้ามืดก็มาข้างหลังเนี่ยอันนี้เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นตัวสงบและดับจิสงบเนี่ยมันดูความรู้สึกด้านเดียวด้านที่สงบ แต่อีกด้านหนึ่งมันไม่ทันเห็นพออะไรเข้ามาฉับพลันทันทีปั๊บเนี่ยสติมันมาไม่ทันเพราะว่าตัวสมาธิตรงนั้นมันได้เป็นสมารสมาธิเนะถ้าตัวสมาสมาธิมันจะมีสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้รอบด้วยแต่ถ้าเป็นวิชาสมาธิก็คือมันจะรู้ด้านเดียวเพราะฉะนั้นก็พยายามทําตัวสมาธิที่เราเพง่งเราตั้งใจเนี่ย <c oughs> ให้มาเป็นตัวสัมปชัญญะคือรู้ให้ทั่วนะรู้ให้ทั่วตัวไปดานเข้านานเข้าตรงนี้มันก็จะพลิกเปลี่ยนจาก การเพ่งนี่นะเป็นตัวทั่วพร้อมตัวนั้นก็จะไม่เกิดอาการตกเวลามีอะไรเกิดขึ้นทันทีนะไม่เกิดอาการกลัวหรือตกใจใช่ไหมต้องทําก็เออว่าไงทำได้ว่าตอนนั้นก็ดูแบบนี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้ น, นะครับจิดมันร้อนแรงแล้วผมลดต่ามันก็อะไดูมันก็เป็นแบบเดียวกันปุกแล้วผมก็เปลี่ยนปุ๊อะไรให้มันไปดูอารมณ์ใช่ไหมครับมันก็อึ๊บอะไรอะไรจุดออกไปประมาณนั้นครับ ก็คือตัวสติสัมยะที่มันมีเยื่อมันยังไม่มันยังไม่เข้มแข็งไงมันจะต้องทําแต่ของนินนดนเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่อย่าอย่านั่งสร้างชวานานเดินเยอะๆหน่อยเดินในความรู้สึกตัวทุกพร้อมมันจะมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้านั่งเนี่ยบางทีมันจะดิ่งไปในสมาธิพอดิ่งไปในสมาธิตัวสัมยามันก็อ่อนสติมันจะอ่อนเวลามีอะไรผุ่งปั๊ขึ้นมามันมาไม่ทันเพราะมันอยู่ในสมาธิเพราะนั้นวิธีสําหรับนินดพยายามเดิน มากกว่านั่งพอาะเวลานั่งแล้วเน้นจะสงบง่ายใช่ไหมแต่มันสงบด้วยอำนาจสมาธิไม่ได้สงบด้วยอำนาจของสติสัพยัญญะเข้าใจนะแล้วก็ก่อนจะมีอารมณ์อย่างนี้มันมันผิดมันจะแบบอะไรมันจะเหมือนเพ่งนะอ่ะว่าผมก็พยายามทำให้สบายก่อนที่จิตมันจะวอกแวกอะไรไปอย่างนี้เนะี่ยอ่าผมมันมันเนี่ยมันจะมีอาการปวดหัวก่ออ๋อ อ๋อแบบใบบ่ยนะครับอ๋อแล้วก็คงในช่วงที่เราตั้งใจเกินเนี่ยบางทีมันเข้าไปลึกเลยนะเข้าไปถึงปวดหัวเลยเหรอบางครั้งอ่ะมันมันเน้อสึกแบบตึงๆึงตครับผมแล้วอกว่าลูกๆอะไรมันก็หายไปแล้วแต่วั้นีมาใหม่แบบกิถ้าเราทำสบายๆอย่างถูกต้องให้ อ๋อบางค้าก็เผลอเพ่งไปใช่ไหมแต่มันแก้ไม่ได้สิครับทำแบบสบายสบายมันก็ไม่อ๋อทำแสบายมันมันเข้าไปลึกต้องรู้ไปอ๋อมีการนั่นแหละนั่นแหละปลูกปลูกปลู ก, ลกตัวรู้ปลูกตัวสัมญัายให้เพิ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คลายเพราะนั้นบางทีเน้นเผลอเข้าไปในสมาธิได้ง่ายวิธีการคือทําเพราะนั้นพยายามเดินให้มากกว่านะนยังจะกลมให้มากขึ้นตัวสติปัญญาจะมาง่ายกว่าการนั่งเพราะจิตเขาในนั้นสงบอยู่แล้ว พอไปนั่งนานเข้ามันก็สงบมากขึ้นอีกมันเลยลึกไปนะถอดออกมาหน่อยหนึ่งทานานๆก็พลิกเนี้อพลิกตัวนี่เล่นนั่งนิ่งทั้งหลายหยชั่วโมง น, งนะมันเข้าไปลึเกเคล่นไปนะโอเคนะความรูเ okay, ท่า<พ>เออเือ <ไป S 2> เอ่า้เกิดเป็นเรื่องหนังปรตูแล้วมควจะยาวเปนอันนึ่งยาวอ๋อถ้าเผือก็ไปยาวเหมือนกันใช่ไหมอ๋อยาวผมเรื่องางประตูเนี่เออ อ่าม uh. ีเร e ื네่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยวกับะแต่ลเลยนกัดอ๋ออันนั้นเป็นวิบากกรรมที่ไปติดเกมเมื่อก่อนเพิงท่เมื่อก่อนได้ข่าวว่าอยู่ในเกมในห้องทั้งวันทั้งคืนเลยเนะอันน voters, Impact> ั้นเป็นวิบากกรรมมันคลายออกมานะก็ก็ปล่อยมันออกมาให้รู้ว่าเออเนี่มันออกมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นวิบากนะดีเนาะไม่ไม่ติดไปมากกว่านี้นะคงล้างวิบากไม่นานนเดี๋ยวก็หมดนะมันจะต้องพรอสิ่งไหนที่เรา ซึมซับก็ไปลึกๆเนี่ยพอถึงทำจิตให้สงบระดับนึงก็ค่อยคลายออกมาไม่มีตัวเข้าไปในความคิดในเกมต่างๆนี่นะที่มันเพลินทะลุวิบากนะวิบากกรรมก็ต้องนะปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนอย่าเอาไว้เกินไปเดี๋ยวหลวงพ่อเสียเปลี่ยนหมดเลยนะ น, น้อยมาไม่ถึงปีไปไกลลิบเหมาหลวงพ่อมาทำามาหลายปี เ, เกินนี่ยกนะ็ยาวมันได้เนาะนนพยายามไปก่อนเรื่อยๆนะ พยายามทำความรู้สึกตัวโดยจากการเดินมากกว่าการ <destined. S 2> นั่งการนั่งอย่าให้นานถ้านั่ง <S 2> <S 2> จะให้นานก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอย่าไป น, านั่งนิ่งๆทื่อๆนะก็เปลี่ยนนิยบทไปเรื่อยๆให้มันรู้เนืรู้ตัวอ๋อก <รถ S 2> ็แล้ ว, แ, ลวแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะนิ่งมันจะดิ่งมันจะลึกไปก็เปลี่ยนละรู้สึกว่ามันสงบเกินไปนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้อยนั่งนานเท่าไหร่บ้นงที่จะรู้สึกจิตมันสงบลงไปลึกๆเนี่ย ก็รู้สึกว่ามันจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือตัวดิ่งเข้าไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาไา้จะอาการนะทุกครั้งไปก็ไม่ได้กําหนดตายตัวว่าต้องกี่นาทีเพราะบางครั้งมันก็เข้าไปในความรู้สึกสงบเรื่อเร็วบางครั้งมันก็ฟุ้งใช่ไหมเรากําหนดไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันจะสงบเกินไปแล้วนะก็ออกมาทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดชัดบางครั้งรู้สึกมันฟุ้งมันจะฟุ้งเกินไปแล้วก็กลับมาความรู้สึกตัวที่มัน นิ่งๆสงบสงบสลับไปสลับมาใช้มันให้เป็นใช้มันให้เป็นก็ค อ, อนวิทยาทุกคำถามและคำตอบที่เพื่อให้เพื่อนผู้ปฏิบัติของเราได้หายสงสัยที่สำคัญก็คือให้ไปทำคนเดียวเพื่อต้องการพิสูจน์ความตั้งใจถ้าหากว่าให้ครูอาจารย์ไปเคาะเสมอแล้วถึงจะกระทำนี่ก็ไม่ได้ก็ข อ, อนวิทยาให้เราได้ มีความใส่ใจด้วยตัวเองเพื่อที่เราจะได้แก้ไขเป็นการสร้างประสบการณ์ทางจิตทำให้เกิดปัญญาสามารถเห็นแจ้งรู้จริงในสิ่งที่คนรู้คนเห็นโดยการทุกคนทุกท่านเธอ